เพื่อจะได้รื่นเริงบันเทิงสุกกันเพียงสองคนเมื่อโจรเจอขึ้นภูเขาเขาก็ขอร้องให้คนนำของกลับเขาทั้งสองนำพลีกรรมไปเองเมื่อถึงภูเขาอันกโกรกชันเป็นที่สำหรับทิ้งโจรแล้วภรรยาก็ขอให้สามีทำพลีกรรมแม้นางจะอ้อนวอนอยู่สองสามครั้งโจร น, นั้นก็นิ่งเฉยทำไมพี่ไม่ลงมือทำพลีกรรมคะนางถาม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 มันไม่มีค่าอะไรในตัวของมันเองดอกคนทั้งหลายไปหลงยิดมันเองและมันมีปกติให้โทษมากกว่าให้คุณประรพบดังนี้แล้วทิ้งอาพรเหล่านั้นเสียมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าไปถึงอาสมของปริภาชคแห่งหนึ่งนางขอบวชกับปริภาชคเหล่านั้นปริภาชคทั้งหลายได้ทราบเรื่องของนางแล้วก็บวชให้ด้วยความยินดีในสำนักปริภาชนั้น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 เมื่อบวชแล้วใครๆก็รู้จักนางในนามว่ากุนทนเกสีนางใช้ความพยายามอยู่ไม่กี่วันก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีบัดนี้ภิกษุณีกุณทนเกสีได้รู้แล้วว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งและได้แจมแจ้งด้วยตนเองว่าพุทธมนต์ในความหมายที่แท้จริงนั้นคืออะไรเพราะนางได้พบด้วยตนเองเห็นแจ้งด้วยตนเอง